ท่านผชมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบ ก, กับบรรดาท่านผู้รับฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยคนในวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องมือวายมาทั้งสองตอนแต่ก็เลยยังไม่อยากจะจบเพราะเรื่องของมือวายนี่เป็นโทษมาก แก่บรรดาปวงชนทั้งหลายคำว่ามือไวก็หมายถึงว่าชอบโฉกชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงและบริการต่างๆของราคาคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินพอดีแล้วก็สิ่ง เหตุบางเรือการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องด้วยกันโดยประเภทนี้ถือว่าเป็นเรื่องเข้มมือไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างหรือว่าจะมาฟ้องร้องจำมันดาประชาชน เรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ชา้าเป็นการประวิงเวลาจะขอปรารบทั้งหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพศ2513ปีนั้นอยากต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะ ทำนางสือขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่ามอบแปลนจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกเบอกจยได้ลงได้เดือนพฤษภา ยังเดินพฤษภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดินมิถุนาไปไปมามาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในหน่วยงานนั้นแกแสไฟก็เลยเร่งรัดแบบประเภทเร่งรัด <c oughs> เอามาลงได้เดือนกรกฎาคมนี่การปรววิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดา แต่ว่ากระแสไฟฟ้านั้นจะเป็นของหลวงและไม่ใช่ของหลวงผู้พูดไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเป็นเรื่องขคนหน่วยงานงานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหากิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ประด็นวงว่ามีเจ้าหนะ้าที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการ การเปลววิงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องถิอว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันไม่ว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้ยเลียงและผลงานคือหมายความว่ากระแสไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หน่วยงานนั้นๆ หรือว่าเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเอามาบริการงานอย่างอื่นหรือ <c oughs> ว, ว่าเอามาเป็นเงินเดือนนับเบี้ยเลี้ยงของลูกจ้างทั้งหลายถ้าแต่ ว, ว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นรับประวิงเวลาซิเป็นเดือนคนที่พึงได้รับกับนายจ้างก็เลยไม่ได้ ไปนั้นว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือทําลายผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะพึงได้ <c oughs> รวมความว่ายื้อแย่งผลประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้แต่ความจริงประโยชน์ที่ในายจ้างจะพึงได้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้นันเองแล้วก็บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นที่ประวิงเวลา พอถึงปีก็หาโอกาสขอขึ้นเงินเดือนกันที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงลูกตั้งทั่วไปนี่พูดเฉพาะจุดจุดนั้นนี่ที่ทามพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่าทําตนเป็นคนมือไวเฉพาะจุดที่กล่าวมานี้นะครัว่าเขาจะพึงทํากันรวดเร็วได้ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ ท่านนังไหลลองพิจารณาดูแค่มอบแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพุทธภามิถุนาและกรกดากรกดานี่ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพศ .2513 ถ้ามาเรื่องแรงงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเอง ก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนและแรงงานค่าแรงงานจริ ง, รงๆเขาเขียนมาคนละสี่บาทต่อหนึ่งวันเวลาที่ทํางานจริงๆไปถามพวกลูกจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคุณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลูกจ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละ15บาทคนที่ไปงานนิด บอกว่าเขาแจ้งมาวันละยี่สิบห้าบาทสมัยนั้นก็พอใช้พอกินแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าไอ้เงินสี่สิบบาทเนี่ยถ้าใช้ไปสิบห้าบาทมันก็เหลือยี่สิบห้าบาทถ้าใช้ไปยี่ไปยี่สิบห้าบาทมันก็เหลือสิบห้าบาทเงินที่เหลือนี่ไปไหนนี่เราต้องคิดว่าเงินเหลือนี่มันไปไหน ถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่ว่าจ่ายตำ่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไว้เหมือนกันใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงเอากับกบคนผู้จะทำผลประโยชน์ให้แก่ตนเพยการใช้กระแสะไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์ เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าไรต่อค่าไรกีปาธะนี่เป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อติดต่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันเรื่องจะตกลัมาได้ก็เดือนกรกฎาคม ได้ทํานองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไร่ใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประประมาณสิดวงเศษเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่ า, าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ขขาหน่วยงานนั้นไอ้หน่วยงานนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหน่วยงานของราชการทั้งราชการเสมอไป เป็นเรื่องที่เจ้าของไฟฟ้าเขาแจ้งมาแต่ว่ามีคนมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ทราบบอกว่าทั้งค่าติดตั้งอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหมดทางหน่วยงานนั้นช่วยแล้วสองในสามแต่ว่าขอเงินให้ผู้พูดเองนี่แหละให้จ่ายไป4ี0หมื่นบาท พอฟังคำว่าสี่หมื่นบาทก็ตกใจถามว่าสี่0มืนบาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองยายเงินหนึ่งในสามของสี่หมื่นบาทผู <c oughs> ้ไม่แจ้งบอกว่าสี่0มืนบาทนี่เป็นหนึ่งในสามแต่เฉพาะ อ, อีกสองในสามนั่นหน่วยงานนั่นออกให้ ความจริงกว่าจะตกมานี้ก็ให้ช่างไฟฟ้าคำนวณราคาแล้วมีคนเขามารับทำบอกว่าถ้าใช้เป็นสายทองแดงก็จะต้องใช้เงินประมาณไม่เกินสองหมื่นบาทไม่ถึงดีไป่ไดว่าสองหมบาทใช้ได้แน่นอนถ้าหากว่าใช้สายโครเมียมก็จะตกราคาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษนี่เป็นราคาเต็ม ที่คณะช่างไฟฟ้าเขามารับรว่าถ้าว่าจะติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาชดใจ่ายให้ เ, เขารับเท่านั้นเป็นงานเหมากัน <c oughs> แต่ว่าเจ้าขององค์การไฟฟ้ามาบอกว่าเขาช่วยแล้วสองในสามทางผู้พูดจ่ายหนึ่ง ใ, ในสามแต่ต้องจ่ายถึงสี่หมื่นบาทนี่ก็ตกใจ นี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผู้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆเนะี่ยมันหมื่นบาทเศษๆแล้วไม่เกินสองหมื่นบาทตามที่ช่างไฟฟ้าเขามารับเหมาว่าทำได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้ว ถ้าช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยถึง 80,000 บาทเพราะสองในสแล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินอีก 44,000 บาทรวมแล้วเขาตีราคามาแสนสองหมื่นบาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึงสองหมื่นบาทที่องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบอกจงอย่ามือไวประเภทนี้ แต่การมือไวประเภทนี้มีขึ้นจะทำให้โลกไม่จเจริญ <c oughs> โลกจะเต็มไปด้วยความปันน่นป่วนจะมีความแตก้าสื่งกันอะไกันในที่สุดก็ไม่เอาแม่ว่ารู้ว่าเข้ามือไวแบบนี้ก็เลยไม่เอาถ้าเทว่าไฟฟ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวความจริงจะช่วยกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดเอากาไรกันเกินควร <c oughs> เอากำไรอย่างเดียวก็พอทาเนาแถมเอาบุญคุณเซนด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกในความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือไม่มี <c oughs> แต่องค์สมเด็จพระจินศรีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำว่าสันโดสนี่ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจ ฉันโดดนี่แปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบธรทำท่านหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบีย้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทําไมจะต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมาณเอาละคิดอย่างแพงที่สุดสองหมื่นบาทแต่ตีราคามาจริงๆมันแสนสองหมื่นบาท เห็นไหมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายประเภทมือไบทําลายเศรษฐกิจของชาติขนาดไหนเป็นอันว่าพวกที่ได้เงินเดือนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้เงินเดือนไปจากนายจ้างแล้วแล้วผลที่สุดเขาก็มาหากําไรเป็นพิเศษผลที่จะได้กับนายจ้างก็คือรายได้ส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้ เพราะว่าผู้ซื้อเห็นว่าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อได้อย่างนี้ถ้านจะหาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกได้ยังไงความจริงพระพุทธศาสนาช่วยโลกไปจงอย่าคดอย่ากโกงกันอย่ายื้อแย่งกันเรียกว่าเพื่มือไวอย่าทําลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นช่วยกันเกื้อกูลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีความสุข นี่พระพุทธศาสนาช่วยแต่ยังไม่ช่วยไม่คราวหนึ่งผูพ้พูดเองเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลความจริงการสร้างโรงพยาบาลนี่สร้างด้วยทุนส่วนตัวของประชาชนหมายที่ว่าผู้พูดนี่บอกบุญกับบรรดาท่า น, นั้นหลายที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบ เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาหรือถ้าจะถามเร่องราคา <c oughs> ราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี้ขอได้โปรดจะบอกให้กาใครทราบัคไว่าบอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆ ร, ราคานี้มันไม่ได้ เรื่องนี้ก็ไม่โทษราชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาการประมูลต้องเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างผู้พู ด, พดที่พูดแล้วก็สร้างเองจชกชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธามาร่วมกันสร้างใช้เงินไปประทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณส4ล้านี่สนบาท 3าล้านี่แสนบาทนี่เรามีอ า, ายงานเยอะๆมีกบพงกำแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณ60ซนความจริงราคาประมูลนี้โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลทำสัญญาลงไปการตีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเผื่อการทำงานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคา ในค่าภาษีก่อนอะไรตรออะยีปาถะนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พูดทำก็ทำกันเองใช้แรงงานกันเองใช้คนผู้รับจ้างภายในเขตก็เป็ น, นว่าค่าจ้างก็ไม่เต็มไม่เต็มอัตราในค่าวัตถุ ก, ก่อสร้างก็สามารถจะซื้อได้ในปัจจุบัน ว่าราคาจะถูกจะแพงยังไงก็ทราบแล้วก็สามารถจะเลือกของได้ตามอธัธยาศัยแต่ที่สร้านงนี่ก็รู้สึกว่าแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าเลือกของดีแต่แต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับงานประ ม, มูลมันก็น้อยกว่ากันมากอันนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าไปโทษหน่วยราชการที่ประมูลเพราะว่าระเบียบการประมูลต้องเสียอะไรท่างหลายอย่าง ก่อนจะเปิดซองต้องซื้อแบบเพื่อการเปิดซองต้องมีเงินประกันแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออะไรที่เยอะแยะผู้ประมูลก็ต้องตีราคาค่าของเผื่อไว้ว่าของเยอะขึ้นตีราคาค่าแรงงานเผื่อไวว่า ง, งานจะไม่ทันจะได้เร่งรัดงานทั้งกลางคืนด้วยและก็ทุกอย่างมันเป็นการคาดคะเนแต่ทั้งงการค่ากรเนเผื่อไว้อย่างนั้นบางทีผู้ประมูลยังขาดทุนก็มี อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่ว่าคณะของผู้พูดนี่มีผู้รับการประมูลที่เป็นพวกพ้องกันมีอยู่มากยังรู้พฤติการความเป็นจริงอันนี้ไม่โทษท่านผู้ฟังฟังแล้วยาโทษหน่วยราชการว่าสร้างของแพงเพราะว่าระเบียบทำอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทำไว้ดีไม่ดี การก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนวัตถุ ก, ก่อสร้างจะไม่ครบถ้วนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมาก <c oughs> นั่นเพราะทาไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธรารณสุขมีท่านอธิบดี กรมสาธารณสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รีบใจการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ทั้งทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่หนึ่งเมษายนองพัหายนี่สินี่เองในเวลานี้ถทีวว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สุด งานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความดีเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> สำหรับหน่วยงานของกรมสาธารณสุขนี่ต้องขอเทิดทุนความดีของท่านความจริงผู้พูดนั่งคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะได้แพทย์ได้พยาบาลมาอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่ผ่านเขาประมาณเวลาจะสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้ทางราชการทราบ แม้ว่าอยู่ในเคใกล้โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีก็มาวางหน่วยงานบอกว่าถ้าจะเป็นโรงพยาบาลมันก็ชิดกับโรงพยาบาลของจังหวัดเตื่องไกลกันประมาณเจปกิโลทางที่ดีก็ควรจะเป็นศูนย์แม่แเด็กแล้วก็มีคลีนิกรักษาโรคโดยก็เหมือนโรงพยาบาลธรรมดาผู้รักษาผู้พูดเองไม่ขัดข้องอะไรก็ได้ทุกอย่าง ถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อตกลงกันแล้วท่างก็จัดส่งแพทย์มาอันดับแรกท่านแพทย์ใหญ่ประจำจังหวัดอุทยัยธานีส่งพัญญาของท่านทึงเป็นแพทย์ชั้นเอกมาควบคุมอยู่ก่อนแล้วต่อมาทางกรมสาธรารณสุขก็ช่วยส่งนายแพทย์มาอยู่ประจําพร้อมที่พยาบาลและพดงคันและผู้ช่วยพยาบาล เป็นนันว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆกความจริงก็จะเล็กและใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามากแต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปรปับยังคาดไม่ถึงอันนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยรายการทางฝ่ายทหารก็มาทราบว่าห้องสัญยกรรมห้องสูจีกรรม ไม่มีเครื่องทำความเย็นเห็นว่าเวลาทำการคลอดคนผู้ถูกคลอดหรือเจ้าหน้าที่ก็จะร้อนจัดเวลาทำการผ่าตัดเครื่องไอ้เอาผ่าตัดก็ต้องใช้ความเย็นห้องก็ร้อนจัดคนจะร้อนจัดเมื่ยทางราชการทหารบางหน่วยในรวบรวมกาลังแทบกันจัดเครื่อง ทำความเย็นส่งมาสามเครื่องคือแอร์เครื่องแปลอากาศกับตู้เย็นอีกสามตู้และ แ, แล้วก็ตู้สําหรับใส่เ อ, ก, อกสารอีกสองตู้นี่ท่านเห็นขั้นเคยช่วยกันหมายความว่าไม่ได้กโกงของท่านราชการส่งมาให้เป็นการทําบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนนเรืยอรกันยังไงก็ช่างเถอะเรียกว่าท่านทำด้วยความเต็มใจ นี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จจะคิดว่ากระแสไฟฟ้าที่ให้ไปมันมีมิเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะกับการที่จะใช้เพราะโรงพยาบาลจริงๆทางกรทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกอีกหนึ่งหลังสามสิบเตียงเป็นตึกสูยจิ ก, กรรมโดยตรงและมีคนคลอดแล้วก็พักได้ส บ, บายมีทุกอย่างเสร็จ เกินว่ากระแสไฟฟ้าเป็นแค่20แอมแปร์ที่ให้ไปไม่พอริงให้ทางแพทย์ใหญ่ติดต่อโดยทางผู้พูดเองจัดเงินจากทางบรรดาประชาชนผู้มีสถานช่วยเขาออกเงินขอมอบแปลงไปถ้าจะไม่พลาดก็คงจะเป็นเดือนกุมภาแต่กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยเต็มที ครั้นมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากมอแอแปลนอมานี้ลงไม่ได้มออแปลงเท่าที่พูดนี่มออแปลนปรากฏมาแล้วเดือนเสร็จแต่ว่ามิเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าไฟจ่ายเข้าใช้ในโรงพยาบาลยังทำไม่ได้เลยที่พูดนี้เป็นพูดวันที่2ี่สิี่งหาคมสอง0ห้ายี่สิบ มีการเปลี่ยนเวลาแบบนี้ก็ก็ถือว่ามือไวเหมือนกันเป็นการทําลายผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้หน่วยงานไฟฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจะเป็นของรัฐบาลจริงๆและเป็นรัฐวิสาหกิจและเอกชนก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นของใครทําไมถึงล่าช้าแบบนี้ก็ต้องคิดเคยโทรศัพท์ไปถามเขา เมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณสองอาทิตยตั้งมอบแปลงเสร็จมอบแปลงนี้ก็จ่ายไป 4, 000, 4 000ี่0มื่แสบสีมเศษพียงแค่30 kva ความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็ขอให้งานมันเป็นไปตามรูปงานกันแล้วกันอมอบแปลงจริงๆตามนันสือของแพทย์ใหญ่ที่แจ้งมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้ว 42,291 บบาท ก็น่าคิดตั้งแต่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยี่สิบและโมดแปลงจะมาจริงๆก็เดือนกรกฎาคมในวันเดือนกรกฎาคมมาตั้งแล้วนี่สิงหาคมจนจะสิ้นอยู่แล้วมิเตอร์วัดระดับไฟฟ้ายังไม่มาโย ก, กันไปโย ก, กันมาเมื่อสองอาทิตย์ผ่านไปถามเขาว่าทําไมจะไม่มาติดตั้งมิเตอร์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าเขาบอกว่าทําไมจึงไม่ติดต่อไปความจริงเมื่อตั้งหมอบแปลงก็บอกแล้วบอกว่าทำมาให้ครบอะไรมันเท่าไรก็บอกมาทางแพทย์ใหญ่ก็ไปติดต่อแต่เรื่องถ้าพูดกันตามส่วนเมื่อตั้งหมอบแปลงเสร็จตาว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขอไม่ทราบเหตุความจริงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบเทาว่าบอกว่ามิเตอร์ที่ติดเนี่ย ต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งที่สองอาทิตย์เสร็จเมื่อทวงถามไปก็บอกว่าบกว่าไม่ขอมานี่กความจริงถ้าก็ไม่ต้องการมีเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียทองทำไมนี่เมื่อทาหนังสือขอไปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าอยี่สิบ งานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือ ว, ว่าทําลายเศรษฐกิจของชาติองค์สมเด็จพระบระมโลกสาธาชบอกว่าการงานประเภทนี้เป็นงานที่มันเสียคือ ว, ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทําลายผลรายได้ที่ลงู่นเชงได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงนินเดือนเงินดาวต้องการจะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บ่น ความจริงถ้าเขาจะบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงานว่างานที่ทำทำแบบนั้นเมื่อในจ้างไม่ได้ผลงานขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างสำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าคดอย่าโกงอย่าทำลายผลประโยชน์สิ่งอะไรกันวันดาธนาลายเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่ว่าคนที่รับความ ที่จะรับอาการช่วยเหลือทางพุทธศาสนามีน้อยเต็มทีนี่เป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยคนและผู้พูดนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาในเมื่อเป็นคนในเขตพุทธศาสนาก็ช่วยคนเป็นสาธารณประโยชน์มามากนับเวลาเป็นสิบสิบปีมาแล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอท้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อไปขอท่านดังละต่อที้ไปก็จะขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี